มเมล็ดแห่งพุท ธ, ธะอยู่ในตัวแล้วทุกคนที่นี้เพียงแต่เตรียมว่าจะเอามเล็ดเนี่ยลงดินเมื่อไหร่เมื่อดงดินแล้วให้น้ำให้ปุ๋ยพรนดินอยู่ในอากาศที่เหมาะสมน้าพอดอีดินพอดีมันก็งอกถ้ามเมล็ดนั้นไม่รีบถ้าเมล็ดมเมล็ดนั้นไม่เสียถ้ามเมล็ดนั้นแก่พองอกทุกเม็ดอันนี้คายืนยันของหลวงพ่อเทียน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 ยิ่งงอกไวใช่ไหมแต่น้ำต้องพอเพราะนั้นมันได้อนื้ภูมิได้ความร้อนช่วยแสงสว่างช่วยนะฉันใดก็ดีเรามาที่นี่เรามีความทุกความทุกเกิดเสมือนดึงความร้อนและแสงสว่างเป็นความร้อนแต่การที่จะแปลความร้อนให้เป็นแสงสว่างเนี่ยเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์เรียกว่ากัลยะาณมิตร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 อส้สงไข่สงไขสังขยะสังขยะ า, าด้วยนั้นไปว่านับไอ้สังขยะไอ้สงขยัยตัว น, นับไม่ได้ถามว่าตั้งแต่หย่อนโค้นลงนั่งนั่ตรงนี้เนี่ยจะไปถึงวินาทีนี้เนี่ยหายใจกี่ครั้งแล้วนับได้ไมั้ยไม่ได้ไไดอ้สงไข่แสนกลับเพราะว่าสี่ไอ้สงขยัยทุกที่มันเกิดขึ้นในขณะนั่งก็นับไม่ได้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 นะกินได้กินมีความสุขพออิ่มแล้วก็สุขก็หมดไปสุขการอิ่มแลังจากนั้นก็นทุกต่อไปอได้ฟังได้ดมกลิ่นริมรดสัมผัสได้เสฟได้สนุกสนานก็มีสุขนิดเดียวจากนั้นเป็นทุกอีกตลอดเพียงแต่มีลูกเป็นที่พึ่งสักคนน่เรา้องเสียเวลาไปค่อนชีวิตหรือตลอดชีวิตมันคุ้มงนห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 อย่าว่าร้อยทั้งร้อยเลยันทั้งพันก็ไม่รู้สึกเพราะเปลี่ยนไปตามอำนาจของสันชาติญาณเพราะสติมีสองระดับหนึ่งสติระดับสัรชาติญาณทุกสัตว์ทุกคนทุกตัวตนมันมี2สติระดับปัญญายานอันนี้ภาษาวิชาการนะแต่ถ้าหาภาษาของเราคือความรู้สึกมีสองอย่างหนึ่งความรู้สึกที่เป็นไปตามธรรมชาติหรือสันชาติญาณ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 เราจะต้องมีอะไรมีความรู้ใช่ไหมน่ะรู้ว่าทุกต้องดับหรือทุกต้องหนีทุกต้องหลบทุกต้องลิกหรือทุกต้องกําหนดรู้ตามที่พระศาสดาสอนเราทุกต้องกําหนดรู้ต้องศึกษาต้องเข้าใจในทุกทุกทําให้ดับนะแต่ภาษาพูดของเราดับทุกใช่ไหมแล้วราดับทุกเปเหมือนกับไม่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 คือหมายารู้สึกสัญชตาตญาณถ้าสมมติว่ารูปร0 0เปนนามร้อยเปรนี่ยรู้ไหมว่าตลอดเวลาเนี่ยนามคือความรู้สึกตัวเนี่ยอยู่กับเรากี่เปอร์เซ็นถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกมาก่อนเนี่ยร้อยหนึ่งมาอยู่กับเรากี่เปอร์เซ็นตเปร์เซ็เปรรู้อยู่นะทำอะไรแต่ว่าใจอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่นี่เมื่อไหรนะ่เนาะหลวงตาใจเลิกฉันอยากจะกลับบ้านทีแล้วก็ไปไม่รู้่ฉันมาเท่าไหร่แล้วกทไหมทนอยู่ที่บ้านฉันสบายกว่านี้ยเยอะแยะ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 แต่ก่อนที่จะมาจับตรงนี้ได้หลวงพ่อใช้เวลาเกือบสิบปีซึ่งต่างกับพวกเราใช้เวลาไม่ถึงสิบวันเพราะอะไรมันจึงยากขนาดนั้นเพราะรู้มากเรียนมากจามากคิดมากมันก็จะต้องใช้เวลามากแต่คนไหนรู้น้อยคิดน้อยจาน้อยใช้เวลาน้อยแต่ให้รู้มากๆท่านไม่ให้ใช้ความคิดแต่ให้นายใช้ความอะไรความรู้คุณคิดได้คิดอย่างมีสติเราเรียกวความรู้คิดอย่างขาดสติเรียกว่า